การรักษาโรคโดยโอปปปาติกะโดยหม่อมหลวงประกายสุประดิษฐ์หลังจากที่ได้ขอความเห็นจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณ ถึงประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้อาจารย์พรฟังแล้วโดยขอให้ช่วยวินิจฉัยว่าเป็นเพราะจิตใต้สำนึกหรืออะไรกันแน่และอาจารย์พรก็ได้บอกให้ข้าพเจ้าเขียนมาเพื่อท่านจะได้ช่วยวินิจฉัยให้กว่าข้าพเจ้าจะลงมือเขียนได้ก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจอยู่หลายวันเพราะเกรงว่าจะถูกหาว่ากล่าวเท็จละเมอหรืออะไรในทํานองนี้ ในที่สุดข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจว่าต้องเขียนขึ้นเพื่อจะได้เป็นการบอกเล่าให้ผู้ที่ยังไม่เคยประสบพบเห็นจะได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงไม่ใช่เรื่องที่จะกล่าวขึ้นมาลอยๆเพื่อหลอกลวงกันและเพื่อให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยวินิจฉัยด้วยก่อนที่จะเล่าข้าพเจ้าอยากจะบอกให้ทราบเสียก่อนว่า ในชีวิตของข้าพเจ้านั้นตั้งแต่รู้ความมาข้าพเจ้านับถือบูชาสักการะและเคารพแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เป็นสารณะนอกนั้นก็ไม่เคยเคารพนับถือบูชาสักการะอะไรอื่นอีกเลยไม่ว่าเทพพรมเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือฤาษีแต่ก็ไม่ได้มีจิตคิดเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นต่ประการใด แต่มา บ, บัดนี้นอกจากคุณพระศีรัตน์ไร่แล้วก็มีหลวงพ่อสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์โตซึ่งได้เคยมาปรากฏในนิมิตของข้าพเจ้าเมื่อประมาณ20ปีเห็นจะได้และพ่อมหาฤาษีทั้ง4คือมหาฤาษีนารอดมหาฤาษีตาวัวมหาฤาษีตาไฟและมหาฤาษีปลายโกด ทำไมข้าพเจ้าจึงต้องเคารพ บ, บูชาสักการะพ่อมหาฤาษีทั้งสี่ที่ได้ออกนามอ น, นี้ด้วยเล่าทั้งๆ ท, ที่บอกอยู่ยกยกว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันหรือเคยสนใจในเรื่องฤาษีจริงอยู่แต่ไหนแต่ไรมาข้าพเจ้าไม่เคยมีฤาษีอยู่ในความคิดเลยจนนิดเดียวที่ต้องมาเคารพกราบไหว้บูชาเนี่ยก็เพราะพระเดชพระคุณของพ่อฤาษีที่ช่วยชุบชีวิตให้ข้าพเจ้าใหม่นั่นเอง เมื่อท่านมีพระคุณแก่ข้าพเจ้าถึงปานชนี้แล้วควรแลหรือที่ข้าพเจ้าจะละเลยต่อพระคุณที่ท่านได้มีต่อข้าพเจ้าและนิสัยของข้าพเจ้านั้นเมื่อผู้ใดก็ตามได้กระทำสิ่งอันเป็นคุณแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่เคยลืมเลยกราบชั่วชีวิตถ้ามีโอกาสพอที่จะสนองพระคุณได้ข้าพเจ้าก็ม่เคยละโอกาสนั้นเลย ที่ข้าพเจ้าจะได้พบกับพ่อมหาฤาษีนั้นเรื่องมันเป็นดังนี้เมื่อราวกลางเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513ั้าระข้าพเจ้าได้รับความทรมานจากการเจ็บปวด ด้วยโรคฤทธิ์สีดวงทวารอย่างหนักขนาดปวดจนนอยไม่หลับต้องกินยาระงับปวดติดต่อกันไปตลอดเวลาหมดฤทธิ์ยาเมื่อใดเป็นปวดอีกเมื่อนั้นได้มีเจ้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งได้พาข้าพเจ้าไปรับการรักษากับแพทย์เฉลยศักผู้หนึ่งหรือแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ที่คลินิกหมอผู้นั้นได้จัดการเอายาใส่ระงับความปวดให้ประมาณสามสี่วันพอวันถัดมา จึงได้เจออาะอหัวฤิษีดวงออกซึ่งปรากฏว่าหายปวดเป็นปลิดทิ้งจริงเหมือนกันและหมอก็ได้ให้ยามารับประทานและสั่งให้ไปใส่ยารักษาแผลอยู่ประมาณ25วันก็บอกว่าแผลหายแล้วจึงเป็นอนวุวาเลิกไปหาหมอผู้นั้น รั้นต่อมาราวเดือนม ก, กราคมพุทธศักราช2 5 1พรข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกตัวว่าไม่ค่อยสบายนึกว่าคงไม่เป็นอะไรจึงได้ไปหาแพทย์ตีเจียดยาแก้ไขมารักษาเองตามลำพังเมื่อครบอาทิตย์แล้วอาการไข้ก็มิได้หายและอาการเริ่มกำเริบกล่าวคือมีอาการหนาวสั่นและสะท้านอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่รู้จักหายเสียที ข้าพเจ้าจึงนึกว่าคงจะเป็นไข้มาเลเรียแน่เพราะเคยเป็นมาแล้วอาการมันปรากฏอย่างเดียวกันกินยาแก้ไข้มาเลเรียเสียก็หายไม่เป็นไรหรอกแต่ที่ไหนได้หลังจากกินยาแก้ไข้มาเลเรียซึ่งซื้อมาจากแพทย์ตีอีกเหมือนกันอาการกลับสุดหนักลงไปอีกอย่างมากมายคือถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสือกันหนาวสั่นอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ส่างซาตั้งหลายวันเกือบร่วมอาทิตย์ ตอนนี้ชักเอะใจและลูกสาวของข้าพเจ้าก็ตกใจเพราะข้าพเจ้าไม่เคยป่วยขนาดหนักเช่นนี้มาเลยจึงได้พาไปหานายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆคือคุณหมอทินวัตรซึ่งมีคลินิกอยู่ตรงหัวมุมถนนตานีต่อกับถนน13ห้างเมื่อได้ตรวจเช็คร่างกายและตาตถามอาการแล้วคุณหมอจึงได้ทำการรักษาข้าพเจ้า คุณหมอได้ทําการรักษาข้าพเจ้าด้วยวิธีฉีดยาและกินยารักษาไข้เกือบหนึ่งอาทิตย์อาการป่วยของข้าพเจ้าก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยปลอดวัดไข้คงขึ้น1 0 2่งรถึงหนึตลอดมาจนคุณหมอชักประหลาดใจจึงได้ น, นัดให้ข้าพเจ้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลซึ่งคุณหมอประจําอยู่เพื่อตรวจเช็คร่างกายให้ละเอียดและมีการถ่ายเอ็กซเรย์ปอดจนกระทั่งเจาะเลือดออกตรวจ เย็นวันนั้นเองเมื่อข้าพเจ้าไปหาคุณหมอคุณหมอจึงบอกว่าข้าพเจ้าคงเป็นโรคติดเชื้อไวรัสข้าพเจ้าจึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องเจาะฤทธิีดวงทวารดังนั้นก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าข้าพเจ้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสได้เข้าไปอยู่ในอุจจาระโดยทางอาหารและเมื่อเวลาถ่ายอุจจาระเชื้อไวรัสได้เข้าสู่ร่างกายโดยแผลเจาะเอาหัวฤทธิ์ีดวงทวารออก และเข้าไปสะสมจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อร่างกายของข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มรักษากับคุณหมอข้าพเจ้าได้รับการฉีดยาหลายเข็มก็ยังไม่มีความรู้สึกผิดปกติในร่างกายแต่อย่างใดพอเริ่มฉีดยาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเพียงไม่กี่เข็มข้าพเจ้าชักจะรู้สึกปวดและเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าทั้งสองข้าง ปวดอย่างมากแต่ก็พอทนไหวจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อคุณหมอฉีดยาให้แล้วข้าพเจ้าจึงบอกกับคุณหมอว่าปวดขามากถ้าฉีดยาให้อีกสักเข็มหนึ่งคงเดินไม่ได้เป็นแน่คุณหมอจึงถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างข้าพเจ้าตอบว่าไม่เห็นมีอะไรนอกจากปวดขา คุณหมอจึงได้ตรวจอาการเต้นของหัวใจและอื่นๆพร้อมกับสั่งให้นอนพักอยู่สักพักหนึ่งก่อนข้าพเจ้านอนพักอยู่ได้สักครู่พอรู้สึกว่าอาการปวดที่ขาค่อยทุเลาจึงได้บอกลาคุณหมอและเดินกลับบ้านซึ่งบ้านของข้าพเจ้าอยู่ไกลจากคลินิกของคุณหมอประมาณ1กิโลเมตรอาศัยที่ข้าพเจ้าชอบเดินเมื่อเดินได้ก็เดินไป โดยถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างเบาไปด้วยในตัวและถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้เจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าก็ถือเอาการเดินเป็นการออกกำลังอยู่เสมอมามิได้ขาดเรื่องฉีดยาแล้วช็อกข้าพเจ้าเคยได้ยินและรู้ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในมือของนายแพทย์แล้วส่วนมากไม่รอดและอาการช็อกจากการฉีดยานั้น ก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันมีอาการอย่างไรบ้างเพราะยังไม่เคยพบกับตัวเองเมื่อข้าพเจ้าเดินกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้นั่งพักให้หายเหนื่อยสักครู่ใหญ่จึงได้เข้ามุ้งนอนพอเอนหลังลงนอนหัวถึงหมอได้สักอึดใจขณะที่ข้าพเจ้ากําลังทําใจให้สงบเพื่อท okay. <im <im <t <t <im <im ี่จะเริ่มบูชาคุณพระศรีรัตน์รายนั้นข้าพเจ้ารู้สึกหวิวแต่ไม่เสียสติ อาศัยที่เคยอ่านหนังสือของกิติอุฒโภพิขุเรื่องตายแล้วไปไหนฉบับเมื่อปีพุทธศักราช2512มาบ้างแล้วถึงใจหวิวก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรแต่ในพริบตาเดียวก็รู้สึกวูบและหมดสติไปหลังจากเริ่มมีความรู้สึกหวิวมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งว่ามันวิวเป็นครั้งสุดท้าย แล้วร่างของข้าพเจ้าก็มานอนอยู่บนหินก้อนหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้นอกจากในตาข้าพเจ้าใช้สายตาสำรวจสถานที่ที่ข้าพเจ้ามานอนตัวแข็งอยู่โดยรอบจึงพบว่า ที่ที่ข้าพเจ้านอนหงายอยู่บนก้อนหินนั้นเป็นป่าคูหาคล้ายถ้ำแห่งหนึ่งและที่แปลกใจข้าพเจ้าเป็นที่สุดนั้นก็คือว่าหลังของข้าพเจ้าที่นอนอยู่บนหินนั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยจนนิดเดียวเมื่อสำรวจสถานที่ด้วยสายตาจึงรู้ว่าที่ข้าพเจ้าเห็นเป็นหินนั้นแท้จริงไม่ใช่มันเป็นก้อนคล้ายๆเมฆหรือไอน้าที่เกาะตัวกันเป็นรูป ที่หน้ากูหานั้นมีแท่นอยู่แท่นหนึ่งตอนแรกเห็นไม่ปรากฏว่ามีรูปหรือภาพอะไรแต่อีกสักครู่หนึ่งจึงเห็นเป็นรูปคล้ายหินหรือก้อนน้ำแข็งขนาดคนนั่งก้อนหนึ่งกำลังละลายตัวข้าพเจ้าได้แต่มองดูเฉยอยู่ จนกระทั่งแลเห็นเป็นรูปคนนั่งสมาธิคนคนนั้นนุ่งขาวห่วมขาวมีประคำรอบคอห้อยอยู่และผิวดำสดใสและอีกสักครู่หนึ่งก็ปรากฏมีรูปแบบเดียวกันอีกสองรูปแต่สองรูปรังเนี่ยค่อยๆเลื่อนมาก่อนจนปรากฏชัด เจ้าทนแปลกใจไม่ไหวจึงนึกจะพูดแต่ไม่ทันจะพูดก็พอดีได้ยินรูปทั้งสามนั้นพูดกันว่าคนคนนี้เกี่ยวดองกับครัวโตควรเชิญท่านมาไม่ทันขาดคำก็แลเห็นหลวงพ่อสมเด็จโตลอยมาและมาสถิตยอยู่เหนือหัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นหลวงพ่อคงเห็นแต่รูปทั้งสามนั้น ขณะนี้ทั้งสามท่านเริ่มเข้าสมาธิและข้าพเจ้าก็คงนอนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นเองตั้งแต่ข้าพเจ้านอนอยู่หน้าคูหานั้นรู้สึกว่าอากาศสว่างเย็นตาคงมีความสุขสบายไม่น้อยแต่ตัวข้าพเจ้าเองในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นอีกสักพักข้าพเจ้าจึงเริ่มรู้สึกอบอุ่นและเริ่มมีความร้อนในร่างกาย ซึ่งค่อยๆทวีขึ้นจนสู่ระดับปกติเมื่อรู้สึกตัวว่ากระดุกกระดิกได้แล้วจึงลองเคลื่อนไหวร่างกายดูพอเห็นว่าเคลื่อนไหวได้ดีแล้วจึงลุกขึ้นนั่งและกล้มลงกราบรูปทั้งสามนั้นแต่ไม่ได้สังเกตว่าหลวงพ่อยังอยู่หรือไปไหนแล้วข้าพเจ้านึกจะถามรูปทั้งสามว่าชื่อเรียงเสียงไรเป็นใครบ้างก็พอดีได้ยินว่าเราชื่อนารอด จึงรู้ว่าข้าพเจ้ารอดจากตัวแข็งกระเพรื่ศีนั่นเองข้าพเจ้าจึงก้มลงกราบที่ละองค์พร้อมกับมองหน้ามองตาอย่างถนัดชัดเจนจนติดตามาจนกระทั่งทุกวันนี้รูปแรกคือพ่อมหาฤาษีนารอด รูปที่สองคือพ่อมหาฤาษีตาวัวในตาของท่านเป็นตาวัวจริงๆกล่าวคือที่เหนือคิ้วเป็นโหนกยื่นออกมาและดวงตากลมไม่มีในตาขาวคือมีแต่สีดําคล้ายตาวัวองค์ที่สคือพ่อมหาฤาษีตาไฟหน้าตาธรรมดาแต่ไม่มีในตาขาวเพราะตรงในตาขาวนั้นเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่แดงแบบคนเมาเหล้าหรือคนเสพยาเสพติด พระเจ้าจึงถามขึ้นว่าเมื่อไหร่ผมถึงจะมาอยู่ที่นี่ได้ก็รู้คำตอบโดยทันทีว่าให้ไปอยู่ที่เก่าอีกสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาตอนนี้กลับได้แล้วข้าพเจ้าจึงก้มลงกราบลาและหันหลังเดินมารู้สึกวูบและวิวเมื่อก้าวเดินได้สองสาก้าวข้าพเจ้ามารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็คงจะดึกมากแล้วเพราะข้าพเจ้าเข้านอนประมาณสองทุ่มคร่งทุกวัน ที่รู้ว่าดึกก็เพราะมันเงียบสงัดไม่มีเสียงรถเสียงเด็กเล่นดังเอะอะและที่ข้าพเจ้ารู้สึกก็คือเหงื่อกำลังออกท่วมตัวตั้งแต่หนังศีรษะจนถึงปลายเท้า ท, ทั้งทั้งที่เริ่มเจ็บมาตั้งแต่เดือนมกราคมเหงื่อไม่เคยออกเลยแม้แต่หยดหรือซึมออกมามีแต่หนาวสะท้านอยู่อย่างเดียวขณะนั้นรู้สึกร้อนไม่อยากห่มผ้าเลยจนนิดเดียวจึงสลัดผ้าหม่ม แล้วนอนหลับไปโดยไม่มีการฝันหรืออย่างอื่นใดในเรื่องนี้สำหรับข้าพเจ้านั้นมารู้ที่หลังว่าพ่อมหาฤาษีประยโกรธนั้นท่านเป็นคนพาวิญญาณข้าพเจ้าไปทำไมข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่าฉีดยาแล้วช็อกที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าช็อกก็เพราะว่าข้าพเจ้าไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตและเคยอ่านหนังสือพบว่า บางคนจะมีอาการผิดปกติก่อนเช่นคันหรืออึดอัดหายใจไม่ออกแต่ก็มีที่อยู่เฉยๆแล้วก็ตายไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันโดยไม่มีอาการบอกล่วงหน้าแต่ข้าพเจ้ามีอาการปวดขาอย่างสาหัสนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้วันต่อมาข้าพเจ้าไปหาคุณหมอเป็นปกติโดยไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง การรักษาคงเป็นไปอย่างเคยคือฉีดยาและกินยาคราวนี้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกปวดขาแล้วประลอดวัดไข้ลดลงเหลือ99องศาแสดงว่าไข้ลดแล้วกลับบ้านก็อย่างเคยแต่คราวนี้ข้าพเจ้าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าข้าพเจ้าหมดสตินอนหลับแล้วฝันหรืออะไร เพราะข้าพระเจ้าพอเริ่มสงบจิตจะบูชาคุณพระก็เอาอีกแต่ไม่รู้สึกหวิวมันเฉยเฉยแต่หูได้ยินเสียงพระสวดมนต์ที่แรกดังอยู่ไกลๆแล้วก็มาดังใกล้ๆอยู่ข้างตัวจะเร็วจะนานเท่าใดไม่ทราบได้รู้ตัวต่อเมื่อพระเริ่มให้พรหมายความว่าการสวดมนต์จะจบแล้ว พระเจ้านึกในใจว่าคราวเนี้เสร็จแน่ลูกๆคงเอามาวัดกันแล้วและเสียงที่ได้ยินคงเป็นเสียงพระสวดศพของข้าพระเจ้าแน่แล้วแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกเฉยๆมองรอบๆตัวก็มีแต่ความมืดชักแน่ใจว่าอยู่ในโรงแน่จึงลองขยับแขนเหยียดขาดูมันก็เคลื่อนไหวได้ถ้าเช่นนั้นก็เป็นอนว่าไม่ได้ถูกตราสังแต่คราวนี้ข้าพระเจ้าลืมตา ไม่ได้หลับตาอย่างคราวแรกนับแต่ได้ยินพระสวดมนต์มาอาการป่วยของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นเรื่อยจนเป็นปกติมาตราบเท่าทุกวันนี้